จิตนครเมืองภาพยนตร์จิตนครพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งทั้งปวงดังที่สรุปเรียกว่ารูปเสียงกลิ่น รถพุทธะและเรื่องหลากหลายซึ่งผ่านเข้าไปทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังกล่าวแล้วอันเรียกด้วยภาษาของชาวจิตตนครว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งเป็นเครื่องน่วงเหนียวจิตใจสมุทัยเป็นผู้สร้างขึ้นและสอดแทรกเข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลายสมุทัยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการคลองใจคนทั้งปวง โดยเป็นเครื่องนวลเหนียวจิตใจให้หลงเพลินยินดีสมุทรไทยคอยเติมเชื้อความอยากความใคร่ความปรารถนาแก่ชาวจิตนครและตกแต่งอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจไว้คอยสนองชาวจิตนครจึงพากันหิวกระหายอารมณ์ดังกล่าวอยู่อย่างไม่อิ่มไม่เพียงพอได้อารมณ์อย่างนี้แล้วก็ใคร่จะได้อารมณ์อย่างนั้นอีก นอกจากนี้บรรดาหัวโจกและสมุนทั้งปวงก็พากันแอบแฝงหนุนให้เป็นไปต่างๆเช่นบางทีไม่ได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็หนุนให้โกรธกลิ้วตรงกันข้ามพากันหมุนไปตามอารมณ์นี้เองชาวจิตนครหหาได้เห็นสิ่งที่หนุนให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้คือบรรดาหัวโจกและสมุนเหล่านั้นไหม ถ้าจะวาดภาพของอารมณ์ให้พอมองเห็นได้ชัดก็พอวาดภาพได้ดังนี้อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งหลายที่ตามองเห็นมาลอยอยู่ในใจเช่นเป็นภาพบ้านเรือนต้นไม้ภูเขาบุรุษสตรีถ้าเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจหรือเป็นสิ่งที่ชอบหรือที่ชังก็ยิ่งเป็นภาพที่ปรากฏเด่นชัด บางทีเป็นวิมารลอยดังที่เรียกว่าสร้างวิมารในอากาศบางทีเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นพูดผีปีศาจเมื่อปรากฏเป็นภาพขึ้นในใจดังนี้แล้วก็ยินดีในภาพที่น่ายินดียินร้ายหรือโกรธแค้นขัดเคืองในภาพที่น่ายินร้ายอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพจากเสียงที่หูได้ยินเป็นภาพเสียง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 อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพกลิ่นที่จมูกสูดดมเป็นภาพรสที่ลิ้นได้ลิ้มเป็นภาพสิ่งที่ถูกต้องทางกายขึ้นในใจเช่นเดียวกันแล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของเรื่องทุกเรื่องที่ใจคิดใจคิดถึงผู้เขาก็จะปรากฏเป็นภาพภูเขาขึ้นทันทีใจคิดถึงบุตรภรรยาสามี จะปรากฏเป็นภาพบุคคลเหล่านี้ขึ้นทันทีใจคิดถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงสิ่งถูกต้องถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งปวงนี้ทุกอย่างสุดแต่ว่าใจจะคิดถึงอะไรแล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกันชาวจิตตนครพากันพัวพันเพลิดเพลินอยู่กับภาพ กล้ายกับคนนั่งดูภาพยนตร์นิยม ช, มชมชอบตัวพระตัวนางเกลียดตัวผู้ร้ายบางคราวก็หัวเราะเฮฮาบางคราวที่ใจอ่อนก็ร้องไห้เพราะไม่ได้นึกว่าเป็นภาพยนตร์แต่นึกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นชีวิตจริงสมุทัยสามารถทำให้ชาวจิตตนครคิดว่าอารมณ์ที่ปรากฏเป็นภาพในใจนี้เป็นของจริงฉะนั้นเหมือนกัน โดยใช้หัวโจกสําคัญเงียบๆคือโมโหให้เข้าแทรกแซงทําให้หลงเข้าใจผิดอันที่จริงจิตตนครเป็นเมืองภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใดๆในโลกและชาวเมืองจิตตนครก็ชอบดูภาพยนตร์กันมากสามารถดูได้ทั้งกลางวันกลางคืนเว้นแต่หลับถึงหลับก็ยังชอบฝันดูภาพยนตร์กันอีก คนดูหนังดูละครเพลิดเพลินอยู่กับการแสดงของหนังละครก็เช่นเดียวกับชาวจิตนครเพลิดเพลินอยู่กับภาพแสดงของอารมณ์เมื่อผู้ดูหนังดูละครไม่ปล่อยใจจนเกินไปมีสติรู้ตัวไว้บ้างว่ากำลังดูหนังดูละครก็จะไม่หลงชอบชังไม่ยินดียินร้ายไปกับบทบาทของตัวแสดงเช่นนี้ฉันใดเมื่อภาพของอารมณ์ปรากฏ ขึ้นให้เห็นแม้ชาวจิตนารไม่ปล่อยใจจนเกินไปมีสติรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมุทรไทยใช้หัวโจกสร้างขึ้นเพื่อล่อให้หลงก็จะไม่ชอบชังยินดียินร้ายไปกับภาพที่แสดงขึ้นด้วยอารมณ์นั้นจนเกินไปฉะนั้นการศึกษาให้รู้ความจริงคือศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าและการอบรมสติให้ดำรงอยู่สม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของผู้ที่ไม่ต้องการจะหลงเพลิดเพลินชอบชังยินดียินร้ายไปกับภาพที่สมุทไทยสร้างขึ้นไว้ล่อให้หลงผู้ไม่เพลิดเพลินยินดียินร้ายจนเกินไปเท่านั้นที่มีจิตใจสงบเงยือกเย็นที่กล่าวได้ว่าเป็นจิตใจที่มีค่าเป็นที่พึ่งปรารถนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายยาเสพติดสัตว์6ชนิด ชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์กันงอมแงมจนไม่สามารถจะขาดอารมณ์ได้และดังที่ได้กล่าวแล้วอารมณ์ปรากฏเป็นภาพที่ดูเป็นของจริงๆังไม่ใช่เหมือนอย่างที่ชาวโลกพูดกันว่าอารมณ์ที่หมายถึงเรื่องอะไรในใจไม่ปรากฏรูปร่างอะไรให้มองเห็นในจิตตนครอารมณ์เป็นภาพให้มองเห็นเป็นรูปร่างขึ้นจริงๆเช่น เป็นภาพต้นไม้ก็มองเห็นเป็นต้นไม้จริงๆเป็นภาพคนก็มองเห็นเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยต่างๆขึ้นจริงๆฉะนั้นอารมณ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของสมุททยและสมุททยรู้วิธีทำให้ชาวจิตตนครติดอารมณ์คล้ายกับติดสุรายาฟินที่แรกทุกคนก็ดื่มสุราไม่เป็นสซฟินไม่ได้ แต่เมื่อหัดดื่มหัดสูบเข้าบ่อยๆในที่สุดก็ติดถึงเวลาก็จะต้องดื่มต้องสูบถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบก็จะกระวนกระวายงดหงิดเมื่อได้ดื่มได้สูบแล้วจึงจะสงบในจิตตนครไม่มีสุรายาฝิ่นไม่มีเฮโรอีนและยาเสพติดให้โทษต่างๆอย่างในเมืองทั่วๆไปแต่มีอารมณ์นี่แหละ แทนที่สิ่งอื่นๆทีแรกก็ดูเหมือนไม่สู้สนใจกันนักในจิตตนครแต่สมุทัยแทรกเข้ามาทางระบบสื่อสารทั้งปวงสู่จิตตนครบ่อยๆโดยพยายามแทรกแต่อารมณ์ที่งดงามน่ารักใคร่ปราถนาพอใจชาวจิตตนครชักจะติดใจติดตาติดหูติดจมูกติดลิ้นติดกาย เกิดความกระหายที่จะได้รับอารมณ์ที่งามอยู่เป็นประจำเมื่อไม่ได้ก็กระวนกระวายหงุดหงิดต่อเมื่อได้จึงจะสงบเมื่อพากันติดอารมณ์ดังนี้สมุทรไทยก็เบาใจว่าไม่มีใครจะคิดกู้อิสรภาพแน่เพราะพากันคิดแต่จะใช้อารมณ์ที่งามกันทั้งนั้นเหมือนอย่างคนติดฝิ่นติดกัญชาก็คิดแต่จะหาฝิ่นกัญชามาสูบเท่านั้น อารมณ์ที่งามนี้เป็นยาเสพติดสำคัญที่สมุทรไทยวางไว้แกช่ชาวจิตนครเช่นชายงามหญิงงามที่ปรากฏเป็นภาพให้มองเห็นนอกจากนี้สมุทรไทยยังได้เลี้ยงสัตว์ต่างๆไว้อีกมากเช่นงูชนิดต่างๆจระเข้นกต่างชนิดไก่สุนัขจิ้งจอกลิงใหญ่เล็กเป็นอันมาก และแทนที่จะสร้างสวนสัตว์ให้อยู่เป็นสัตว์สวนกลับปล่อยให้อยู่ทั่วไปในจิตนครตามแต่สัตว์จาพวกไหนจะชอบอยู่ชอบเที่ยวไปที่ไหนเช่นงูอยู่ในจอมปลวกจระเข้อยู่ในน้ำนกบินอยู่ในอากาศและจับพักนอนบนต้นไม้ไก่อยู่ในบ้านสุนัขจิ้งจอกอยู่ในป่าช้าลิงอยู่บนหมู่ไม้ บางทีสัตว์ทั้งปวงเช่นที่กล่าวมาแล้วก็เที่ยวเพ่นพ่านทั่วไปบางทีสมุทยจับสัตว์เหล่านี้มาผูกรวมกันไว้แล้วก็ปล่อยเป็นกีฬาที่สนุกอย่างหนึ่งเพราะจะได้เห็นสัตว์เหล่านี้ต่างวิ่งไปสู่ที่อยู่ของตนสมุทยหัวเราะชอบใจแล้วกล่าวว่าชาวจิตตนครก็เหมือนสัตว์เหล่านั้นเพราะพากันวิ่งไปหาอารมณ์ เหมือนอย่างงูเลื้อยปลาดไ ป, App, ไปหาจอมปลวกวิ่งไปหาอารมณ์คือเสียงเหมือนจระเข้วิ่งไปลงน้ําวิ่งไปหาอารมณ์คือกลิ่นเหมือนนกบินหวือไปในอากาศวิ่งไปหาอารมณ์คือรถเหมือนไก่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยวิ่งไปหาอารมณ์คือสิ่งที่ถูกต้องทางกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้าวิ่งไปหาอารมณ์คือเรื่องทางใจ เหมือนวานอนวิ่งหลุกลิกไปบนต้นไม้นี้เป็นกีฬาที่สนุกสนานมากของสมุทยในการที่เห็นหมู่คนทั้งเมืองวิ่งพล่านไปในทิศ ต, ต่างๆบางทีก็ชนกันปะทะ ก, กันแย่งชิงกันต่อสู้วางหมัดมวยแทงฟันยิ่งกันเป็นคู่ๆวุ่นวายไปหมดยิ่งยุ่งยิ่งวุ่นวายสับสนอลมหม่านสมุทยก็ยิ่งสนุกสนานมาก การศึกษาในทางโลกก็ตามในทางธรรมก็ตามผู้มีปัญญาย่อมศึกษาเพื่อมุ่งเพิ่มพูนสติและปัญญาเป็นสำคัญและย่อมเข้าใจดีว่าตนเองเท่านั้นที่จะสามารถนําความรู้ในเรื่องทั้งหลายมาเพิ่มพูนสติและปัญญาของตนได้ผู้เขียนหนังสือหรือผู้บรรยายเรื่องราวเหล่านั้นเพียงสามารถนําความรู้ความเข้าใจมาแสดงให้ทราบเท่านั้น หาอาจทําให้ผู้ไม่ใคร่ครวนพิจารณาตามเกิดประโยชน์ได้ไม่ผู้นําเรื่องจิตตนครมาบรรยายในรายการบริหารจิตอยู่ขณะนี้ก็เช่นกันเป็นเพียงผู้นํำทำเกี่ยวกับจิตตนครมาแสดงหน้าที่ในการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องเป็นของบรรดาท่านผู้มาบริหารจิตทั้งหลายเมื่อเกิดความรู้สึกวิ่งไปหาอารมณ์ใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นความงดงามน่ารักใคร้ ปรารถนาพอใจก็ควรต้องทำสติให้เกิดขึ้นให้รู้ทันแม้เพียงพอสมควรว่าสมุทรไทยกำลังทำงานยึดครองเราอยู่อย่างเฉลียวฉลาดแม้เราไม่ต่อต้านขัดขืนคือไม่พยายามยับยั้งความปรารถนาต้องการเสียบ้างเลยปล่อยไปเต็มแรงแล้วแต่ความปรารถนาต้องการจะนาไปเราก็จะตกเป็นทาสของสมุทรไทยไม่มีอิสระแก่ตัว ทานคนใดจะมีความสุขที่แท้จริงได้ลองคิดดูชาวจิตตนาครที่ปล่อยให้ความปรารถนาต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสพธภพและธรรมารมนำไปอย่างไม่ขัดขืนต้านทานก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เช่นเดียวกับทานนั่นเองฉะนั้นเราจะเลือกเป็นทานหรือเป็นไทยก็จะเลือกได้ด้วยการยอมให้สมุทรไทยครอบครอง หรือต่อต้านขัดขืนสมุทรไทยจนสุดสติปัญญาเท่านั้นสมุทรไทยรักษาพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์สิ่งที่สมุทรไทยระดมพลังเพื่อสืบรักษาไว้มากที่สุดก็คือพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไปตลอดถึงพืชพันธุ์แห่งต้นไม้ใบหญ้าทั้งปวงในโลกสมุทรไทยได้สอดแทรกความรู้สึกทางเพศไว้แก่ชาวจิตตนครทั้งปวง โดยแบ่งออกเป็นเพศคู่ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อกันอย่างยิ่งเพื่อสือรักษาพืชพันธุ์ของคนไว้จนถึงท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่ายังไม่เห็นรูปอย่างอื่นเสียงอย่างอื่นกลิ่นอย่างอื่นรสอย่างอื่นสิ่งถูกต้องทางกายอย่างอื่นสักอย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษได้เหมือนอย่างรูปของสตรีเสียงของสตรี กลิ่นของสตรีรสของสตรีสิ่งถูกต้องทางกายของสตรีสิ่งทั้งห้านี้ของสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่ในทางตรงกันข้ามท่านก็ได้กล่าวไว้ว่ายังไม่เห็นรูปอย่างอื่นเสียงอย่างอื่นกลิ่นอย่างอื่นรสอย่างอื่นสิ่งถูกต้องทางกายอย่างอื่นสักอย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของสตรีได้เหมือนอย่างรูปของบุรุษเสียงของบุรุษกลิ่นของบุรุษรสของบุรุษสิ่งถูกต้องทางกายของบุรุษสิ่งทั้งห้านี้ของบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีตั้งอยู่สมุทัยแทกความรู้สึกของบุคคลทั้งสองเพศไว้ให้มีต่อกันรุนแรงถึงเพียงนี้ก็ด้วยความกลัวว่าโลกจะสูญสิ้นพืชพันธุน์ จะไม่มีใครเหลืออยู่ให้สมุทรไทยครอบครองใจเพราะสมุทรไทยทราบดีว่าจีตนครมีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่ชาวจีตนครจะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะได้เล่าในเมื่อถึงวาระถ้าไม่มีพืชพันธุ์สืบต่อก็จะสิ้นสุดไปหมดเมืองในเวลาไม่เกินร้อยปีหรือจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนักและร่างกายของบุคคลทั้งสองเพศนี้เล่า กระแสนที่จะสกปรกสมุทัยจำต้องแทรกความรู้สึกดังกล่าวไว้อย่างแรงไม่เช่นนั้นต่างก็จะเมินเฉยต่อกันและกันทั้งภาระในการครองเรือนก็หนักสมุทัยต้องสร้างแทรกความรักในบุตรธิดาเป็นอย่างยิ่งไว้ด้วยไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครอยากมีลูกอยากเลี้ยงลูกสมุทัยจึงจำต้องระดมพลังแห่งความรู้สึกดังกล่าว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 มีสถานที่บำบัดต่างๆมีวิธียัวย่วยุความรู้สึกต่างๆบรรดาพักพวกของสมุทรไทยอีกมากมายก็ได้โอกาสแทรกแสงแสดงตัวผสมผสานไปกับเรื่องนี้ก็เป็นที่พอใจของสมุทรไทยอีกอย่างหนึ่งจำนวนสม น, นโอครัวคนของจิตตนครอมมากขึ้นพิสังเกตโดยรวดเร็วเช่นเดียวกับจำนวนคนของประเทศต่างๆในโลก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 จะทำลายสิ่งทั้งปวงพร้อมทั้งชีวิตคนทั้งโลกได้ในเวลาพริบตาเดียวถึงเวลามิกระสัยีเมื่อใดสมุไทยจะระดมพลังแห่งการทำลายเมื่อ น, นั้นสมุไทยได้แทรกแซงความรู้สึกทางทำลายเข้าในจิตใจแห่งชาวจิตนากรไว้แล้วจึงไม่วิตกว่าคนจะหล่นโลกสมุไทยแห่งจิตนากรมีพลังร้ายรุนแรงน่ารังเกียจเผพรึงกลัวยิ่งนัก ังกล่าวมาแต่สมุทยก็มีความเฉลียวฉลาดรอบครอบในการใช้พลังนั้นจนทำให้ชาวจิตนครยอมตกอยู่ใต้พลังดังกล่าวอย่างเต็ม อ, อกเต็มใจมิได้ระแวงสงสัยว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะนำตนไปสู่ความพินาศหายนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาคุณเลิศกว่าปัญญาทั้งหลายจึงทรงรู้เท่าทันสมุทยทุกประการ และด้วยทรงพระกรุณาคุณเลิศกว่าการุณาทั้งหลายจึงทรงแสดงไว้ให้เห็นโทษของสมุ ท, ทยัยเพื่อว่าชาวจิตตนครทั้งปวงผู้มีศรัทธาในพระองค์ท่านจะได้พยายามเห็นตามและต่อต้านสมุ ท, ทยัยไม่ยอมตนให้สมุทัทยนำไปทาลายอย่างย่อยยับในที่สุดอันความเฉลียวฉลาดของสมุ ท, ทยในการใช้พลังทาลายชาวจิตนครในด้านต่า ง, า ง, างนั้น แม้มีมากเพียงใดก็จะไม่อาจสู้ปัญญาของชาวจิตนครที่เกิดจากการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังนั้นแม้ไม่ปรารถนาจะยอมให้สมุทยัยบุงไปตามชอบใจจนสุดท้ายนำไปสู่ความพินาศหายนะก็ควรที่จะต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ถูกต้องพอสมควร เพื่อเป็นการอบรมปัญญาและสติไว้ต่อต้านสมุทยัยไม่ว่าจะแอบแฝงสอดแทรกเข้ามาในรูปใดความมีสติและปัญญารู้เท่าทันสมุทยัยว่ากำลังล่อให้โลภแล้วให้โกรธแล้วให้หลงแล้วแล้วใช้สติปัญญาต่อต้านไม่ยอมโลภไม่ยอมโกรธไม่ยอมหลงไปตามสมุทยัยนั่นแหละจะสามารถชนะสมุทัยได้ ไม่ถูกสมุทรไทยครอบครองชักนำไปสู่ความพินาศในวาระสุดท้ายคู่บารมีของนครสามีดังได้กล่าวแล้วเป็นลำดับมากเกี่ยวกับจิตรนครปรากฏว่านครสามีคือผู้ครองนครได้ไว้วางใจสมุทรไทยเป็นอันมากให้ดาเนินการต่างๆในจิตรนครและก็เมื่อได้ไว้วางใจมอบหมายให้สมุทรไทยดำเนินการแล้ว ก็ได้เริ่มสังเกตเห็นความไม่ปกติต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังจับต้นเหตุไม่ได้สมุทยเข้าใจหลบซ่อนการกระทำของตนและพวกพ้องเข้าใจแสดงออกให้เป็นที่เข้าใจว่าดีต่างๆเจ้าเมืองเองก็เข้าใจว่าสมุทยดีมากอันที่จริงสมุทยและพวกพ้องมิใช่เป็นชาวจิตตนครมาแต่เดิมแต่เป็นผู้ที่อพยพมาจากถิ่นที่อื่น มาจัดตั้งหลักฐานอยู่ในจิตนครและชักชวนพวกพ้องให้พากันยกเข้ามายึดถิ่นฐานต่างๆแผ่กระจายกันออกไปจนถึงวางพวกไว้ควบคุมทั่วไปหมดสมุททยเองได้ตั้งหลักฐานอยู่กับนครสามีทีเดียวเป็นผู้สำเร็จสพกิจในจิตนครและแต่งตั้งบรรดาหัวโจกทั้งสมพักบวกทั้ง16กิเลส1ัน0ตัณหาร้อย ให้เป็นหัวหน้าและประจำหน่วยต่างๆเกณฑ์ใช้ชาวจิตนครเป็นทาสกรรมกรทำสิ่งต่างๆตามแต่สมุทัยจะประสงค์นครสามีก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่สมุทัยสร้างอันเรียกด้วยภาษาของจิตนาการว่าอารมณ์ดังที่กล่าวแล้วเดิมนครสามีมีกายผุดผ่องดังจะกล่าวว่ามีรัศมี ก็น่าจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมรู้อะไรถูกต้องฉับพลันแต่เมื่อคบกับสมุทไทยมากเข้ากายที่เคยผุดผ่องก็กลายเป็นเศร้าหมองที่เคยมีรมัศมีก็อับแสงที่เคยมีปัญญาเฉียบแหลมรู้อะไรถูกต้องก็กลายเป็นผู้มีปัญญาอ่อนรู้อะไรมักผิดพลาดที่เคยสงบเยือกเย็นก็กลับไม่สงบ และร้อนรนกระวนกระวายหิวกระหายในอารมณ์ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอนครสามีได้มีพฤติการทั้งปวงเปลี่ยนไปจากปกติแต่เดิมอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเดชะกุศลของนครสามีคือเจ้าเมืองแห่งจิตนครนี้ยังมีอยู่กล่าวคือคู่บา ร, รมีของเจ้าเมืองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งปวงตรงกันข้ามกับสมุทย ได้เข้ามาตักเตือนเจ้าเมืองว่าเจ้าเมืองได้มองเห็นหรือไม่ว่าเวลานี้จิตนครได้ยุ่งเหยิงสับสนมากขึ้นเพียงไรโจรผู้ร้ายหลาย ก, ก็หลายเหล่าที่ขึ้นชื่อลือนามว่ากายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั่วไปโดยมีหัวโจกใหญ่ที่รู้รู้กันว่าโลโพโทโศมโห ยุโยงส่งเสริมและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่างเจ้าเมืองได้รับคําตักเตือนจากคู่บารมีก็เริ่มเฉลียวใจมองเห็นความยุ่งเหยิงต่างๆดังกล่าวโดยปกติสมุทรไทยได้เข้าพระชิดคุมเจ้าเมืองแจไม่ยอมถอยหาสมุทรไทยไม่เกรงกลัวใครแม้แต่เจ้าเมืองเองสมุทรไทยก็หาเกรงกลัวไม่ มีอยู่เพียงคนเดียวที่สมุทัยเกรงมากก็คือคู่บา ร, รมีของเจ้าเมืองเมื่อคู่บา ร, รมีเดินเข้ามาสมุทัยจะถอยห่างออกไปไม่กล้าอยู่เผชิญหน้ากับคู่บา ร, รมีคำตักเตือนของคู่บา ร, รมีได้ผลทำให้เจ้าเมืองได้คิดขึ้นทันทีว่าจิตตนครกําลังยุ่งเหยิงสับสนจริงเพราะเมื่อได้อยู่กับคู่บา ร, รมีสมุทยถอยห่างออกไป กายของเจ้าเมืองก็กลับผุดพ่องมีแสงปัญญารู้ถูกต้องขึ้นสงบเยือกเย็นและความร้อนกระวนกระวายก็ระงับด้วยการดับหายภาพยนตร์ต่างๆที่เป็นมายาของสมุทัยก็หายไปภาพแห่งสัจจะปรากฏขึ้นแทนคือผลที่ยุ่งเหยิงต่างๆแต่ยังจับเหตุไม่ถูกการฟังธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนเจ้าเมืองฟังคําตักเตือนของคู่บารมีทําให้มีโอกาสเห็นผิดชอบช่วยดีได้ตามความเป็นจริงไม่หลงอยู่ตลอดไปดังนั้นการฟังธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นหนทางที่จะนําให้ผู้ผิดพ้นผิดผู้หลงพ้นหลงกล่าวอีกอย่างก็คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้ผู้มีความทุกข์ได้รับความสุขนั่นแล ทำสำหรับผู้ปกครองเมื่อคนเราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่จำต้องมีผู้ปกครองตามลาดับชั้นเมื่อรวมกันเป็นประเทศชาติก็ต้องมีผู้ปกครองประเทศและเมื่อรวมกันเป็นโลกถึงจะไม่มีผู้ปกครองทั้งโลกก็ต้องมีผู้แทนของชาติทั้งหลายมาประชุมปรึกษาวินิจฉัยเรื่องระหว่างชาติคล้ายกับเป็นคณะผู้ปกครองโลกบางส่วนหรือทั้งหมด เครื่องมือในการปกครองย่อมมีอยู่หลายอย่างแต่ที่ขาดไม่ได้นั้นคือทำของผู้ปกครองเพราะถ้าไม่มีทำส่วนนี้เสร็จแล้วจะปกครองให้เกิดความสุขความเจริญหาได้ไหมทำของผู้ปกครองนี้ท่านเรียกว่าราชธรรมแม้ตามศัพ์จะแปลว่าทำสำหรับพระราชาแต่ตามความมุ่งหมายก็คือทำสำหรับผู้ปกครองทั่วไป และสำหรับผู้อยู่ในปกครองด้วยท่านแสดงไว้สิบประการเรียกว่าทศพิธราชธรรมจะกล่าวเฉพาะข้อ6คือตาปะหรือตบะมีอธิบายตามพระธรรมเทศนาทศพิษรราชธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรา ย, ยาณนนวงศ์ได้ทรงถวายในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เมื่อพุทธศักราช2493ว่าตะบะหรือตบะโดยพยัญชนะแปลว่าแผดเผาโดยมากท่านใช้เป็นชื่อของความเพียรจึงแปลว่าความเพียรเป็นเครื่องแผดเผาความเกียจคร้านใช้เป็นชื่อทำอื่นอีกบ้างทางลทัทธิพราหมณ์แสดงว่าตบะของพราหมณ์คือการเล่าเรียนพระเวทที่ศักดิ์สิทธิ์ ตบะของกษัตริย์คือการคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชนตบะของเวสส์หรือวายสยะคือการทำบุญให้ทานแก่พรามตบะของสูตรคือการรับใช้ตบะของฤาษีคือการกินอาหารที่เป็นผักมีคำเป็นคถาหนึ่งแสดงว่าอาทิตย์มีตบะคือสองแสงสว่างในกลางวันจันทร์มีตบะในกลางคืน ตามในเหล่านี้ตะบะหมายถึงการตั้งใจกําจัดความเกลียดคร้านหรือการทําผิดหน้าที่มุ่งทํากิจอันเป็นหน้าที่ที่พึงทําอันเป็นกิจ ด, ดีกิจชอบให้สม่ําเสมอและให้ยิ่งขึ้นผู้บำเพ็ญตะบะให้บรรลุ ถ, ถึงความสําเร็จย่อมเป็นผู้มีตะบะปรากฏเป็นผู้สงา่าเป็นที่ยําเกรงดังที่พูดกันว่ามีตบะเดชะ คนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ต้องมีตะบะคือใครมีหน้าที่ฐานะอย่างใดก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นให้ดีให้เหมาะให้สมแก่หน้าที่ฐานะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองให้ดีให้บริบูรณ์เมื่อเป็นผู้อยู่ในปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในปกครองให้ดีให้บริบูรณ์เมื่อปฏิบัติดีอยู่ด้วยกัน ก็เป็นผู้มีตะบะอยู่ด้วยกันเป็นที่ยำเกรงของกันและกันแต่ถ้าตรงกันข้ามคือผู้มีหน้าที่ปกครองไม่ปกครองให้ดีก็เป็นที่ดูมิ่นของผู้อยู่ในปกครองรวมความว่าผู้มีหน้าที่ฐานะอย่างใดไม่ปฏิบัติให้สมกับหน้าที่ฐานะอย่างนั้นย่อมเป็นที่ดูมิ่นดูแคลนหมดความนับถือต้องเสื่อมจากเกียรติที่ดี จนถึงต้องตกจากฐานะของตนมีคำกล่าวไว้ในสุตะโสมชาดกว่าพระราชาผู้เอาชนะบุคคลที่ไม่ควรชนะไม่ชื่อว่าพระราชาเพื่อนผู้เอาชนะเพื่อนไม่ชื่อว่าเพื่อนภรยาผู้ไม่ยำเกรงสามีไม่ชื่อว่าภรยาบุตรผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เท่าไม่ชื่อว่าบุตรสภาที่ไม่มีสัตว์บุรุษ คือคนดีไม่ชื่อว่าสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าสัตบุรุษผู้ละหรือสงบปราคะโทสะโมหะพูดเป็นธรรมชื่อว่าสัตบุรุษกล่าวโดยเฉพาะก็ที่พระมหากษัตริยธิราชเจ้าทรงตั้งพระราชารไยัยกำจัดความเกียดคร้านและทําการผิดหน้าที่ ทรงตั้งพระราชอุตสาหาวิริยะภาพปฏิบัติพระราชกรณียะให้เป็นไปด้วยดียิ่งยิ่งขึ้นมีพระตบะเดชะเป็นที่ยำเกรงแห่งบุคคลทั่วไปตลอดถึงทรงสมาทานกุศ ล, ลวัติเผาผานกำจัดอกุศลวิตกบาปธรรมให้เสื่อมสูญไม่ตั้งอยู่นานดังนี้จัดเป็นตบะบทที่ห